เหตุการณ์เรือล่มเมื่อสองสาหวันก่อนที่ยุทยานะก็เป็นข่าวใหญ่นะคงจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกตายกันเยอะนะยีสิบกว่าคนก็ช่วงสองสาหวันนี้ก็มีการพูดกันนะว่ า, าการที่ไม่มีเสื้อชูชีพเนี่ยนะก็ทำให้มีคนตายเยอะเพราะว่าบางคนก็ ว่าน้ำไม่เป็นจมน้ํานะอย่างพวกเราชายวะชาวบ้านเนี่ยคงจะหลายคนนะว่ายน้ําไม่เป็นหรือถึงว่ายน้ําเป็นแต่ว่ากระแสน้ำมันนั้นนมันก็เชี่ยวมากหมดแรงก็จมตายก็มีการแนะนํานะว่านะเรือนี่ต้องมีเสื้อชูชีพติดไว้แต่ก็มีผู้รู้เนี่ยเเตือนไว้นะว่า ไอเสื้อชูชีพมันมีประโยชน์ก็จริงนะแต่มันมีประโยชน์สําหรับเรือที่คนที่โดยสารเรือที่ไม่มีหลังคาถ้าเรือมีหลังคานี่ใส่เสื้อชูชีพลงไปนี่อาจจะทําให้ตายง่ายขึ้นตายเร็วขึ้นนะพรา อ, อะไรนะเพราะว่าพอใส่เสื้อชูชีพแล้วเนี่ยมันไม่จมก็จริงนะมันทําให้ลอยแต่ถ้าเกิดไปลอยติดหลังคาเนี่ยเสร็จเลยนะ หายใจไม่ออกจะดำเนี่ยก็ดำไม่ได้เพราะมันติดเสื้อนะเสื้อนี่มันมันรั้งเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้จมไม่จะดำก็ดำไม่ได้ก็ค้างติดอยู่ใต้หลังคาพออากาศหมดก็ตายนะกลายเป็นว่าเสื้อชูชีพนี่มันสามารถจะทําลายชีพได้นะถ้าหากว่าใช้ผิดที่ผิดทางนะ เขบอว่าใส่เชือกชูชีพนี่ก็ใส่ได้นะเวลาโดยสารเรือที่ไม่มีหลังคาเนหรือว่าถ้าจะใช้ก็อย่าสวมนะถ้าเป็นเรือที่มีหลังคาก็ต้องถือเอาไว้จับเอาไว้เวลาเวลาจะดำน้ำก็ดำได้ง่ายนะก็ปล่อยเสื้อชูชีพไปแล้วก็ดำน้ำมันก็อาจจะทำให้หลุดจากใต้หลังคาเรือก็ได้ ก็เลยพูดเตือนไว้ว like ันเนี่ยเวลาพูดเรื่องเสื้อชูชีพไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ทุกกรณีนะในบางกรณีหรือในสําหรับเรือบางอย่างการสวมเชื้อชูชีพนี่ทำให้ตายเร็วขึ้นอันนี้มันก็เหมือนกับทุกอย่างนะทุกอย่างที่มีประโยชน์เนี่ยก็พอารู้จักใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นนี่มันก็เกิดโทษ อย่างสิ่งที่ไม่มีมอันตรายอะไรเลยเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกก็เดือดร้อนได้อย่างที่ผู้เจ้าตัดว่ายาคาเนี่ยยาคานี่มันก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าจับไม่ดีนี่ก็บาดมือนะความเป็นสมณะถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ฉุดให้ลงนรกได้นะอันนี้มันก็เช่นเดียวกันกับเสื้อชูชีพนะเสื้อชูชีพถ้า ใช้ถูกก็มีประโยชน์ใช้ถูกเวลาถูกสถานที่ก็ช่วยชีวิตได้แต่ว่าถ้าใช้ผิดสถานที่นะไปใช้กับผู้โดยสารเรือที่มีหลังคานี่ก็อาจจะตายเร็วเข้าอันนี้ก็ทำนองเดียวกันกับธรรมะนะธรรมะเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกเข้าใจไม่ไม่ถูกเนี่ยก็อาจจะทำให้ เกิดโทษได้อย่างที่เมื่อชาพูดเรื่องธรรมะเรื่องอนัตตาเนี่ยถ้าเข้าใจผิดเนี่ปฏิบัติผิดนี่ก็สามารถจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิได้เช่นว่าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลเพราะว่าไม่มีผู้รับผลนะอันนี้ได้ฟังครูบาอาจารย์สอนก็เชื่อและเชื่อก็เข้าใจผิดที่จริงเนี่ยท่านต้องการบอกว่าเนี่ยมันไม่มีตัวกูผู้รับผลนะ แต่มันยังมีอย่างอื่นที่รับผลได้เช่นใจนะจิตใจให้ทานรักษาศีลก็มีใจเนี่ยรับผลก็คือใจที่ประณีใจที่สงบใจที่เป็นสุขแต่มัน ม, มีมันไม่มีตัวกูผู้รับผลนะเหมือนกินอาหารเนี่ยกินอาหารนี่ก็ไม่มีตัวกูผู้รับผลนะแต่มันมีกายที่รับผลนะคือถ้าอาหารดีร่างกายก็สุขภาพดีอาหารน้อยร่างกายก็ผายพร้อม หรือว่าอาหารมีพิษร่างกายก็เจะป่วยมันเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของตัวกูนะนี่พอเข้าใจไม่ถูกนะก็พานไม่ทำบุญไม่ใส่บาตรไม่รักษาศีลเพราะคิดว่ามันไม่มีผู้รับผลนะนธรรมะเนี่ยนะต้องเข้าใจให้ถูกแล้วก็ที่สำคัญคือว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้โดยซ้ำนะ พระุทธเจ้าตรัส ว, ว่าธรรมะเนี่ยเหมือนกับแพรนะแพเนี่ยมีไว้ข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็เดินขึ้นฝั่งเลยนะไม่ต้องแบกแพรไปด้วยคนที่แบกแพไปนี่ก็ถือว่างโง่นะแล้วก็ทุกข์ด้วยทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะพุทธเจ้าตรัส ว, ว่า น, นี่แม้กระทั่งแม้แต่ธรรมะที่พระุทธเจ้าตรัสนี่ยก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นาภาษาและกับอกุศลธรรมนะอกุศลธรรมจึงไม่ต้องพูดถึงใหญ่ ถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกับไปถือฐานแดงๆนะอันนี้มันก็ทำให้เจ็บปวดหรือว่าไปกินของร้อนที่มันร้อนมากๆหรือกินยาพิษเนี่ยก็ยิ่งตายเร็วเข้านะยานี้มีประโยชน์นะแต่ถ้ากินไม่เป็นกินมากไปก็ทำให้ตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเ เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามเนี่ยนะอย่าอย่าเกี่ยวข้องนะด้วยความหลงงมงายนะต้องใช้สติใช้ปัญญานะไม่ใช่บอกว่าเออคนจมน้ำตายเพราะไม่มีเสื้อชูชีพก็ใส่เชือชูชีพมันในทุกทุกที่เลยนะไม่ว่าเรือแบบไหนนะหลังคานี่นะ มันก็มีประโยชน์นะกันแดกกันฝนได้นะแต่ในบางกรณีมันก็ทำให้คนตายนะอย่างลังคาเรือเนี่ยก็ตายก็ทาให้คนตายเยอะเพราะว่าพอจมน้ำแล้วเนี่ยพอลอยลอยคอขึ้นมาติดลังคาที่ท่าประจันเนี่ยมันก็มีโปะนะสมัยก่อนเนี่ยโป๊ะที่ขึ้นเรือเนี่ยนะเรือด่วนเรือข้ามฟ้านี่ก็มีลังคานะ แต่ว่าพอมันเกิดเหตุนะโป๊ะพังแนละ้วโป๊ะล่มนะคนเยอะมากดนะังนั้นเสียเป็นวันวันรอยกระทงนะเมื่อสิกาปีก่อนหรือยี่ิบปีที่แล้วนี่คนขึ้นโป้นี่เยอะมากนะโป้มันเลยล่มคนตายเยอะแยะเลยที่ตายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลอยคอแล้วไปติดโปะติดหลังคานะหลังคาโป้นี่มันทําให้คนตายเพราะมันกักคนเอาไว้ ตอนหลังเขาก็เลยลื้อหลังคาทิ้งเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะหลังคามีประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ในทุกกรณีนะในบางกรณีนี่มันก็อาจจะถึงกับทําให้คนตายได้ที่จริงไม่ต้องพูดอื่นการหลังไฟฟ้านี่เลยนะไฟฟ้านี่มีประโยชน์มากเลยสามารถใช้รักษาช่วยชีวิตคนได้นะเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องช่วยหายใจนี่ก็ทํางานได้ด้วยไฟฟ้านะแต่ใช้ใช้ไม่เป็นนะไปจับมันเนี่ยก็ตายได้นะ อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ก็ต้องรู้จักใช้สติใช้ปัญญาแม้แต่ธรรมะนี่ก็ต้องใช้ปัญญานะใช้สติพูดถึงเรื่องของการรับมือในเวลาจะอุบัติภัยเนี่ยนะนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยที่มกักจะตายกันเยอะคือไฟไหม้นะไฟไหม้ตือไฟไหม้อาคาร และส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยไม่ใช่ตายเพราะควันนะไม่ใช่ตายเพราะไฟนะตายเพราะเยียบกันตายแต่ตื่นเฮืองไปพากันวิ่งหนีไปที่ประตูหาทางออกตรงนั้นแหละที่ทำให้ตายกันเยอะถ้าต่างคนต่างมีสตินะค่อยค่อยค่อยๆค่อยค่อยทยอยค่อยๆทยอยกันไปนะตรงไหนมีประตูก็ค่อยๆอค่อยค่อยเดินนะเป็นระเบียบเนี่ย ก็ไอทำให้ทุกคนเนี่ยรอดตายได้นะแต่ว่าคนเราเนี่ยพอเจอเหตุการณ์ น, นี้มันตกใจนะตกใจก็ไอความกลัวนี่ก็เข้ามาคร่อบงาไม่มีสติลืมตัวกลัวกันไปหาทางออกเหยียกกันตายหรือแม้กระทั่งว่าหาทางออกได้แล้วเนี่ยนะหาทางออกได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตึกสูงสูงตึกใหญ่ๆเนี่ยก็มีผู้รู้แนะนานะว่า อย่าพึ่งวิ่งตามผู้คนฝูงชนไปฝูงชนจะกลูไปไหนนี่อย่าพึ่งวิ่งตามนะเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งตามเข้าไปเกิดเขาไปเจอทางตันฝูงชนนั่นก็จะหันกลับมาและถ้าเราอยู่ข้างหลังนะเราก็โดนคนเหยียบไอตอนเราอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่เป็นอะไรแต่พอเขาเจอทางตันเขาออกไม่ได้เนี่ยไอข้างหลังกลายเป็นข้างหน้าไป ใอ้คนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็อาจจะถ้าวิ่งไม่ทันก็โดนเหยียบตายได้นะเขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งวิ่งตามฝูงชนไปนะให้รอให้รอดูสักพักแล้วก็อย่ายือนอยู่กลางทางให้ยืนแอ บ, บๆออยู่ริมทางนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดฝูงชนเนี่ยเขาหาทางออกไม่เจอเขาก็จะวิ่งกลับมาทางเดิมถ้าเรายือนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะโดน คนเขาเหยียบตายได้ไมนะ่ต้องเดินหลบหลบต้องยืนอยู่หลบๆบนะถ้าเกิดว่าเห็นคนหายไปไม่ไม่ไม่วิ่งกลับมาแซวว่าเขาเจอทางแล้วเราก็เดินเราก็วิ่งตามเข้าไปนะอันนี้ที่จริงก็ามาใช้ได้กับทุกเรื่องอนะรวมทั้งเรื่องเล่นหุ้นด้วยนะะพวกแมงเม่านี่เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะว่าขายหุ้นเทหุ้นขายตามคนอื่นเขา บางทีซื้อก็ซื้ อ, อ, อตามเขาไอ้ซื้อตามเขานี่มันก็แย่แล้วนะพอเขาเทขายก็เทขายตามเขาด้วยความตื่นตกใจราคามันตกแค่ไหนก็ขายเนี่ยก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวนะเพราะว่าตามนะตามฝูงชนไปกลายเป็นแมงเมาดงั้นสติก็สําคัญนะสติสําคัญมากนะเวลาเกิดอะไรตั้งสติไว้ก่อนนะใช้ปัญญาพิจารณา ถ้ามีความรู้อยู่บ้างในเรื่องพวกนี้มันก็ทําให้รับมือกับภัยพิบัติได้แต่ถ้าให้ดีก็ซ้อมเอาไว้ก่อนนะเผื่อไว้นะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเลยได้รับมือทันเพราะว่าถึงแม้จะมีความรู้แต่ว่าไม่ได้ซ้อมไว้พอเกิดเหตุมันลืมหมดนะอะไรอะไรที่มีในหัวมันลืมหมดเลยนะเมื่อพวกเล่นหุ้นนะนะหลายคนก็รู้นะว่าหุ้นอาจจะตกก็ อาจจะประมาณว่ากะว่าถ้าหุ้นตกไม่เกินส0ซไม่ขายนะแต่พอหุ้นตกแค่ห้เอร์เนตี่ยโหตกใจาขายเลยลืมไม่หมดเลยนะไอ้ที่เคยตั้งใจไว้นะอันนี้เพราะว่าคนเรานี่จริงๆเนี่ยมันก็มีความตื่นกลัวมากแล้วก็ยิ่งมีแนวโน้มจะทำตามฝูงชนด้วยก็เรียกว่าสัญชาตญาณฝูงนะคนเรานี่มีแบบนี้เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใครทำอะไรไปล้วก็เฮตามใครเขาลืออะไรกันแล้วก็ลือแล้วก็เชื่อตามอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะเชื่อง่ายนะนะชาวกรุงสวับถีเนี่ยนะมีคนพูดว่ามีคนปล่อยขราวว่าพระเจ้านี่ฆ่าผู้หญิงชื่อนางสุนทรีโอเชื่อเลยนะเพราะว่าคนน้อนก็พูดคนนี้ก็พูดนะก็เลยเชื่อง่ายนะฉนั้นต้องพยายามรู้ทันเ่ย นิสัยหรือสัญชตาตญาณของเรานะที่มันตื่นกลัวแล้วก็ชอบทำอะไราตามผู้คนมีสติเอาไว้นะจะได้ไม่หลงเชื่อหรือว่าทำให้ตัวเอง เ, เกิดปัญหาในที่สุดแล้วก็เตรียมรับผ่อนิชิตังปฏิตังตุมหังคอยท่าผลที่ท่านป่าธนนะและตั้งใจแลวเยบาเมวาสมิชาตตจงสมเร็จโดยฉาพราน สาเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งบ่วงจงเต็มที่จันโทปันรัโยยานาเหมือนพระจันทร์ในวันเพรนมณีโชติรัโยยานาเหมือนแคร์มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิทยาววาันตุควานาันไรท้งบ่วงจงบาราดไปสาพะโรโควินาสาธุพระโรทางบ่วงของท่านจงหาย มาเตพาวดันตรายอันตารยามีแก่ท่านสุขีทิขายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวัฒนศสริสนิจจุตนาปจายโนจัตารุธรรมวัฏฐนทีอายุวันโนสุขขังคลาฐานสีประการคืออายุวันณสุขขังคลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ น, นอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวรวค์ตูสะพามังคลาอาสสะพมงค์จงมีแก่ท่านราขันตูสะพเทวตาอาลาเทวาดาทั้งปวงจงรักษาท่านสะ พ, สาพาภูธ า, านุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระภูต้าสะพธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสะพสังขานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระสงสาธาสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่รด้านดวงเมื่อเธอ